บทที่ห้าสิบประทุมกับประเทืองรุ่งขึ้นหนุ่มเจริญออกเยี่ยมเยียนบรรดาญาติที่ไม่ได้เห็นหน้าค่าตากันถึงสี่ปีบ้านแรกที่เข้าไปก็คือ บ้านลุงสิน์ลูกชายคนโตของยายครูสอนให้มะพราะ้าวกับมังคุดมาอย่างละสองชรอมทำให้เขามีของติดไม้ติดมือมาฝากญาติพี่น้องลุงครับปูหอยยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าลุงเคยเห็นมันอีกไหมครับเขาถามถึงหอยโขงยักษ์ซึ่งเขาเรียกว่า ปูหอยเองพูดถึงอะไรนะ่ะในศิลไม่เข้าใจวัยเจ็ดสิบทำให้เขาลงหลงลืมลืมจำอะไรไม่ค่อยได้ผิดกับมารดาซึ่งแม้ว่าวัยใกล้90สหากความจำยังดีก็ให้คงยักที่มันเอาปากเดินได้ตั้งสามกิโลนะครับลุงเคยเห็นมันอีกรึเปล่าไม่เคย ลุงพอจะจำได้แล้วเจ้าหอยที่มีความเพียรเป็นเลิศนี่ขนาดเอาปากเดินนะแล้วเองละ่ะภาคเพียรเรียนวิชาสำเร็จไหมยอย่าให้อายหอยมันละ่ะคนเป็นลุงถือโอกาสสอนหลานไม่อายหรอกครับผมเรียนดนตรีไทยมีความชำนาญพอที่จะเป็นครูสอนเขาได้คุณปู่ของผม ให้เครื่องดนตรีมาผมจะยึดเป็นอาชีพทางเล่นแล้วก็สอนดนตรีไทยครับชายหนุ่มบอกกล่าวดีอาชีพอะไรก็ดีทั้งนั้นถ้าเราตั้งใจทำจริงขอเองอย่าไปหลาะและเลี้ยวไหลเสียก่อนก็แล้วกันนายสินเตือนไว้ก่อนรับรองครับผมอยากรวย แล้วก็อยากมีชื่อเสียงเหมือนคุณปู่ของผมคืเหลาอแหลกเลี้วไหลก็ไม่ได้อย่างที่อยากดีแล้วที่เองคิดได้อย่างนี้คนเราเมื่อตั้งความหวังไว้ก็ต้องมีความเพียรพยายามทำให้สมหวังพวกที่ผิดหวังเพราะเขาละความเพียรครับพระพุทธเจ้าสอนไว้ว่าอัตติหิอัตโนนาโถ บุคคลล่วงทุกได้ได้วยความเพียรชายหนุ่มแอบอ้างพุทธพท์หมายให้ครั้งแต่กลับถูกผู้เป็นลุงแย้งว่าผิดแล้วที่เอ็งยกมาต้องแปลว่าตนแลเป็นที่พึ่งของตนส่วนบุคคลล่วงทุกได้เพราะความเพียร น, น, น, นะน่ะเป็นภาษาบาลีท่านว่า วิริเยณาทุกขมัดเจติต่างหากล่ะหนุ่มเจริญรู้สึกอับอายขายหน้าด้วยว่าเรื่องที่ต้องการให้ครั้งกลับมาทำให้เขินเสียทองสักสองช่างยังดีกว่าเสียหน้าคืนอยู่ต่อไปคงต้องอับอายยิ่งกว่านี้ทางที่ดีที่สุดคือบอกลา ผมเห็นจะต้องกลับแล้วครับจะไปเยี่ยมป้าเหลี่ยมแกหน่อยเขาบอกผู้เป็นลุงส่วนป้าเหรียญขี้เมานั้นเขาไม่คิดจะไปเยี่ยมใช่ว่าจะรังเกียจคนขี้เหล้าเมายาแต่ที่ไม่ไปเพราะกลัวแกจะรู้ความลับที่เขายักยอกทองของแกมาตั้ง32บาทเอาใส่ไทแขวนไว้ที่หัวเสา ผีบ้านผีเรือนก็ช่วยรักษาอย่างดีเขากลับมาก็ยังอยู่ครบทั้งสายสะพายและสร้อยข้อมือจะกลับแล้วหรือยังคุยกันไม่ได้เท่าไรเลยนายสินว่าว่าหลังค่อยคุยใหม่เถอะครับจากบ้านป้าเลี่ยมผมต้องไปบ้านพี่จำเรียงอีกความจริงเขาจะคุยต่อก็ได้โดวยว่าไม่รีบร้อนอะไร แต่เมื่อได้เผอปล่อยไก่ออกมาซสแล้วก็ไม่ควรที่จะอยู่สู้หน้าดีไม่ดีลงศิลอาจจะดูถูกเขาได้ว่าอุตส่าห์ไปร่ำเรียนถึงบางกอกยังฉลาดสู้คนบ้านนอกไม่ได้ทันทีที่เห็นหน้าชายหนุ่มเจ้าโทนก็วิ่งเข้าใส่จาได้ไม่ลืมว่าเจ้าหนุ่มผู้นี้เคยคว้างหัวมันจนเจ็บปวดรวดร้าวไปหลายราตรี วันเวลาผ่านไปนานแค่ไหนมันก็หาลืมไม่เฮ้ยเจ้าโทนจำข้าได้หรือไม่ข้าติดแกระหลานแะเหลี่ยมไงล่ะชายหนุ่มร้องบอกพลางถอยกรูดเมื่อได้จังหวะจึงก้มลงคว้าก้อนกรวดมาถือไว้เจ้าโทนรู้สึกเสียวที่หัวจึงไม่กล้าโจูโจมได้แต่ส่งเสียงเห่ากันโชคอยู่ห่าง ลองเข้ามาสิข้าจะคว้างให้หัวแตกเป็นสิ่งเสียงเลยเชียวเขาขู่เจ้าโทนนึกกลัวจึงหยุดเหา่าหากยังมองอย่างอาฆาตเองมันแก่แล้วนะไอ้โทนดูสิหูตาฝ้า ฟ, า, ฟ, า, ฟางยังจะนำมาทำเป็นเก่งถ้าไม่เกรงใจป้าเหลี่ยมมีหวังเองเจ็บตัวแน่ๆชายหนุ่มถือโอกาสอบรมสั่งสอนเจ้าโทน นายอย่ามาพูดเลยถ้าเกรงใจจริงคงไม่คว้างหัวข้าจนปวดไปหลายวันรอกถึงยังไงข่าก็ไม่ยกโทษให้หนายอย่าเพลอก็แล้วกันเจ้าโทนแอบเถียงในใจเสียงสุนัขเห่าทำให้นางเหลี่ยมชะเง้อหน้าต่างออกมาดูกรั้นเห็นหลานชายก็ดีใจตะโกนลงมาว่าไอ้หนู ไปยังไงมายังไงขึ้นเรือนก่อนสิไอโทนมันจะกัดผมนะครับป้าเขาฟ้องมันแก่จนกัดไม่ไหวแล้วละสองสามปีมาเนี่ยไม่เห็นมันกัดใครสักทีลองมากัดหลานข้าสิจะได้ตีไม่เลี้ยงชุละประโยคหลังนางพูดกับสุนัขที่เลี้ยงมาตั้งแต่มันลืมตาดูโลก เจ้าโทนเห็นคนเขาเข้าข้างกันก็หมดกำลังใจได้แต่คิดแค้ น, คนว่าเอาเถิดเจ้าหนุ่มข้าขอเป็นศัตรูกับเองไปตลอดชาติจากนั้นก็เดินหลีกไปได้ถุนเรือนต่อหน้าเจ้าของมันจำต้องเจียมตัวถึงจะเป็นเพียงสุนักก็ต้องยึดมั่นในกติกาที่ว่าสุนัก ยอมไม่เนรคุณเจ้าของนางเหลี่ยมรับขวัญหลานชายด้วยการทำอาหารหวานคาวให้รับประทานรู้ว่าหลานชอบข้าวเหนียวหน้าปลาแห้งนางก็ทำให้อย่างสุดฝีมือโดยมีชายหนุ่มช่วยขูดมะพระ้าวให้ กาหนุมเจริญจะได้รับประทานเสร็จก็บ่ายคร้อยถ้าเดินทางไปยังบ้านพี่สาวก็คงข้ามมืดจึงคิดว่าจะกลับบ้านก่อนวันรุ่งขึ้นค่อยไปเยี่ยมพี่สาวบอกลาผู้เป็นป้าแล้วชายหนุ่มก็ลงจากเรือนกวาซสายตาไปทั่วก็ไม่เห็นเจ้าโทนจึงเดินตรงไปยังประตูรั้วหน้าบ้านด้วยความโล่งใจ คันทีที่ก้าวเท้าพ้นประตูรัว้วเจ้าโทนก็กระโจนเข้างับหน้าแข้งมันกัดอย่างแรงจนรู้สึกเจ็บที่ฟันทั้งเจ็บทั้งปวดหากก็ต้องแก้แค้นชายหนุ่มตะโกนเสียงหลงด้วยความตกใจป้าไอ้โทนกัดผมนั่งเหลี่ยมกุรีกุจอลงมาดูหลานพลางด่าเจ้าโทนเสียงคร่ เข้าไหมนางถามพลางก้มดูน้าแข้งหลานชายกางเกงขายาวสีเปลือกมังคุดที่เขาเพิ่งซื้อมาจากบังกอกขาดเป็นรูเขาเสียดายจนน้ำตาร่วงเจ็บตัวนั้นไม่เท่าไรแต่เจ็บใจสิมากมายนะักนางเหลี่ยมถลกขากางเกงหลานชายขึ้นก็เห็นรอยเขี้ยวเจ้าโทนนี่ดีนะที่มันแก่แล้ว ไม่งั้นเนื้อเองได้หลุดออกมาเป็นชิ้นๆไม่แค่ห่อเลือดอย่างนี้หรอกนางเหลี่ยมพูดเหมือนเข้าข้างเจ้าโทนถึงเนื้อหลุดผมก็จะไม่โกรธเท่ากางเกงขาดหรอกป้าดูสีเป็นรูเลยนี่ผมอุตส่าห์ซื้อมาจากห้างไนติงเกลผหุรัดนะเนี่ยเขาใช้มือป้ายน้ำตาเสียดายกางเกงจะต้องร้องไห้ ลืมที่ลุงมันสอนว่าลูกผู้ชายต้องไม่ให้ใครเห็นน้ําตางั้นป้าจะใช้ค่ากังเกงให้อย่าไปทําไอ้โทนมันเลยนะนึกว่าสงสารมันนี่แสดงว่าเองต้องเคยไปทําอะไรไว้กับมันไม่งั้นมันคงไม่อาคฆาถึงปานนี้ผมเคยคว้างหัวมันเมื่อสี่ปีก่อนชายหนุ่มสารภาพมันน่าจะลืมไปแล้วเขาติง มันไม่ลืมหรอกธรรมชาติของหมาถ้าใครดีกับมันมันก็ดีด้วยแต่ถ้าใครร้ายกับมันดับรองมันจําไปตลอดชีวิตกี่เดือนกี่ปีมันก็ไม่ลืมป้าจะใช้ค่ากางเกงให้ผมเหรอครับเขาเปลี่ยนเรื่องขืนคุยเรื่องเดิมก็รังแต่จะขาดทุนเท่าไหร่ล่ะนางเหลี่ยมถามเสียงอ่อย นึกโกรธตัวเองที่ไม่น่าพลั้งปากออกไปอย่างนั้นสองช่างครับแต่ผมคิดป้าช่างเดียวนึกซึว่าเป็นคราวเคราะห์ของผมเขาบอกผู้เป็นป้าความจริงเขาซื้อมาในราคาหนึ่งช่างสองช่างผู้หญิงอายุห0สิทำท่าคล้ายจะเป็นลมแต่ผมคิดป้าช่างเดียว ก็ของห้างนี่ป้าไม่ใช่ของแบกะดินเกิดจากท้องพ่อท้องแม่ข้าก็ไม่เคยเห็นกางเกงอะไรตัวละตั้งสองช่างถึงช่างเดียวข้าก็ว่าแพงอยู่ดีเองไปซื้อมาได้ยังไงไม่เสียดายเงินหรือก็แล้วป้าจะให้ผมเท่าไหร่ละครับเอาเถอะผมจะลดให้เอามาสิบตำลึงก็พอ เขารีบบอกด้วยเห็นท่าทางจะไม่ได้เงินนางเหลี่ยมเห็นหลานเข็มมาก็เข็มตอบเกลือมันต้องจิ้มเกลือถึงจะสะสมกันเอาอย่างนี้นะหลานที่เอ็งกินข้าวปลาอาหารจนอิ่มน้ำสำราญนะป้าคิดแค่ห้าตำลึงส่วนอีกห้าตำลึงป้าใช้คืนให้ยุติธรรมดีไหมหลานชายได้ฟังก็รู้สึกว่า ถูกลบเปลี่ยมเสียเงินเสียทองนั้นไม่ว่าแต่เสียศักดิ์ศรีจะเสียได้อย่างไรจึงพูดขึ้นว่าไม่เป็นไรหรอกป้าครับผมแค่ล้อเล่นเท่านั้นผมไม่คิดจะเอาเงินป้าหรอกตอนผมไปป้าก็ให้ผมแล้วกางเกงเนี่ยถึงมันค่อนข้างจะแพงผมก็ไม่เสียดาย ที่บ้านยังมีอีกตั้งหลายตัวพูดจบก็ยกมือไหว้ผู้เป็นป้าอีกครั้งแล้วเดินกลับบ้านนางเหลี่ยมมองตามหลานชายพลางสายหน้าหลานยายจ่างนี่มันเข็มจริงๆพับผ่าสิหากชายหนุ่มได้ยินคงต้องย้อนว่าลูกยายจ่างก็เข็มไม่แพ้กันหรอก รับประทานอาหารมื้อเย็นกันอิ่มแล้วล้านชายจึงพูดขึ้นว่ายายครับพรุ่งนี้เช้าผมจะไปเยี่ยมพี่จำเรียงวันนี้คุยกับป้าเหลี่ยมเส้นนานก็เลยไปไม่ทันเขาไม่ได้เล่าเรื่องที่ถูกเจ้าโทนกัดว่าที่จริงคนยุติธรรมเช่นเขาก็สรุปได้แล้วว่าเจ้าโทนมันไม่ผิดตัวเขาต่างหากที่ไปก่อกรรมทําเข็นกับมันก่อน นางจำเรียงคงจะดีใจที่เองไปเยี่ยมและเองมีอะไรไปฝากล้านล่ะลูกพี่จำเรียงเหรอครับใช่แล้วพี่จำเรียงเขามีลูกฝาแฝดคู่หนึง่งชื่อประทุมกับประเทืองนางสาวจำแรงว่ายิ้มยังมีเลตไนสวยไหมคงจะสวยเหมือนแม่นะ พี่จำเรียงเขาจะหมูโดงตาคมเหมือนแขกน้องสาวยังไม่ได้ครึ่งอดไม่ได้ที่จะพูดแขะพี่สาวนางสาวจำแลงค้อนประหลับประเลือกพลางว่าแต่พอถึงรุ่นลูกข้าสวยกว่าก็แล้วกันถึงพี่จำเรียงจะสวยกว่าข้าแต่ข้าก็สวยกว่าประทุมกับประเทืองไม่เชื่อพรุ่งนี้เองคอยดู ว่าจะจริงอย่างที่ข้าพูดหรือเปล่าในโลกนี้ยังมีคนสวยน้อยกว่าเองอีกหรือไม่น่าเป็นไปได้นะน้องชายว่าคนสวยน้อยกว่าข้าน่ะหาไม่ยากหรอกแต่ที่สวยมากกว่านั้นหายากจะยิ่งกว่างมเข็มในมหาสมุทรอีกพี่สาวยั่วเอาละเอาละ อย่ามัวมาเถียงกันว่าแต่ถ้าเองรับงานดนตรีจะเอาใครมาร่วมวงด้วยต้องไปจ้างคนอื่นหรือเปล่ายายถามขึ้นไม่หรอกครับยายผมคิดว่าจะหัดให้พวกพี่ๆเขาพวกเราก็พอมีพื้นฐานกันบ้างแล้วผมต่อให้อีกนิดหน่อยก็คงออกงานได้ ไม่อยากให้คนอื่นมาร่วมวงด้วยเดี๋ยวจะมีปัญหาดีคิดรอบครอบอย่างนี้ก็ดีแล้วเล่นกันในหมู่พี่พี่น้องน้องถึงปัญหามันเกิดก็ยังพอพูดจาตกลงกันได้แล้วเรื่องรับซ้อนละ่ะเองจะคิดค่าเรียนเดือนละเท่าไหร่ตอนผมเรียนกับครูสอนเขาคิดเดือนละหนึ่งจ้างแต่ก็แค่เดือนเดียว สำหรับผมคิดว่าเดือนละห้าตำลึงก็คงพอหาตำลึงเชลือกยายออกตกใจดีแล้วละยายคิดถูกเกินไปเขาจะหาว่าของเราไม่ดีแต่ถ้าแพงกว่านี้ก็จะหาคนมาเรียนไม่ได้เป็นครั้งแรกที่นางสาวจำแรงเห็นด้วยกับน้องชาย จริงอย่างที่พี่จำแรงเขาว่านั่นแหละครับพี่สาวผมคนนี้เขาฉลาดน้องชายทำดีตอบได้การเรียกพี่แทนที่จะเป็นจำแรงเฉยๆเออเห็นพวกเองรักใคร่ปองดองกันอย่างนี่ยายกอดชื่นใจเวลาตายจะได้นอนตาหลับยายพูดอย่างโล่งอกแต่ข้ายังไม่อยากให้ยายตาย ผมก็ไม่อยากยายอย่าเพิ่งตายนะครับต้องอยู่ให้ครบหนึ่งหนึ่งปีตามที่สัญญาไว้กับผมนะครับยายหนึ่งรเอ็ดไม่ใช่หนึ่งรยหนึ่งยายแยง้งครับยายต้องอยู่ให้ได้ถึงหนึ่งรเอดปีนะครับเอาเถอะยายจะทนอยู่ทนอยู่ไปจนกว่าจะตายนั่นแหละ กี่ปีก่อนแล้วแต่เวนแต่การรมทํามายายสรุปง่ายง่ายเช้าวันรุ่งขึ้นหลังจากรับประทานอาหารเป็นที่เรียบร้อยแล้วหนุ่มเจริญไปตลาดซื้อกะปรงสํสำหรับเด็กผู้หญิงสามขวบสองชุดเพื่อเป็นของฝากหลานสาวคู่แฝด ครั้นไปถึงและเห็นหน้าหลานเขาแทบร้องไห้ออกมารู้สึกสงสารจับใจเมื่อเห็นคู่แฝดไม่มีดั่งจมกูกประทุมประเทืองมาไหว้น้าเขาสินี่น้าแกรน้องชายของแม่นางจำเรียงบอกลูกสาวเด็กหญิงสองคนเดินเข้ามาอย่างว่าง่ายยกมือไหว้น้าชายพูดพร้อมกันว่า อาอัดอีอาแอะเขารวบตัวหลานมากอดไว้น้ำตาออกมาจนได้ดูรือพ่อแม่จมูกโด่งลูกกลับจมูกบี้เวนกรรมตามสนองพี่แล้วกระมังแกเอ้ยพี่เกลียดไอ้แกล้มด่าว่ามันสารพัดผลที่สุดกรรมนั้นก็มาตกอยู่ที่ลูกของพี่ นั่งจำเรียงเล่าเสียงเกลือแล้วนายแหลมเขาไปไหนแล้วล่ะครับมันตายไปแล้วเป็นโรคซิฟิลิสตายดูเอาเถอะตัวมันจากไปแล้วก็ยังทิ้งอนุสรณ์ไว้ให้พี่สะเทือนใจดีนะที่พี่พุทธเขาเป็นคนดีไม่เคยว่าให้พี่ต้องช้ำใจเลยต่อไปนี้พี่จะไม่ว่าใครแล้ว นี่ละนาะโบราณท่านว่าเกลียดขี้ขี้ตามพี่เกลียดคนจมูกบี้ก็ต้องมาได้คนจมูกบี้สงสารเองจังประทุมประเทืองเอ้ยประโยคหลังหล่อนพูดกับสาวคู่แฝด